เรื่องเผชิญหน้านักปราศที่บ้านสมเด็จพระยามหาศีสุริยวงศ์ช่วงมีการประชุมนักปราศทุกชาติทุกภาษาล้วนเป็นบุคคลสำคัญสำคัญรอบรู้การศาสนาของชาตินั้นสมเด็จเจ้าพระยาให้ทนายอารัธนาสมเด็จพระพุทธจารย์โตไปแสดงเผยแผ่ความรู้ในสิ่งที่ถูกที่ชอบด้วยการโลกการธรรมในพุทธศาสนาอีกภาษาหนึ่งในชาติของสยามไทย สมเด็จพระพุทธาจารยินคำารัธนาจึงรับสั่งว่าฉันยินดีแสดงนักในข้อเข้าใจท่านนายกลับไปกราบเรียนสมเด็จพระประสาทว่าสมเด็จที่วัดรับแสดงแล้วในเรื่องแสดงให้รู้ความผิดถูกทั้งปวงได้ถึงวันกำหนดสมเด็จที่วัดระคังก็ไปถึงนักปราดทั้งหลายยอมให้นักปราดของไทยออกความก่อนในที่ประชุมปราดและคุณนางทั้งปวงก็มาประชุมฟังด้วย หาเหตุผู้อ่านจากประวัติในแหล่งอื่นท่านกล่าวไว้ว่านักปาิต่างชาติในที่นั้นต่างศึกษาภาษาไทยและพูดได้อย่างคล่องแคล่วนะครับสมเด็จพระประสาทจึงอาราธนาสมเด็จที่วัดระฆังขึ้นบันลังและนิมนต์ให้สมแดงทีเดียวสมเด็จพระพุทธเจา้าโตก็ออกวาจาสมแดงขึ้นว่าพิจารณามหาพิจารณา พิจารณามหาพิจารณาพื้พามตุ้มทุมกลางๆงไปเท่านี้นานกล่าวพื้พรมสองคำเท่านี้สักชั่วโมงหนึ่งสมเด็จพระประสาศาลุกขึ้นจิตโปะสมเด็จโตแล้วกระสิบเตือนว่าขยายคำอื่นนี้ฟังบ้างสมเด็จพระพุทธจารย์โตก็เปลงเสียงดังขึ้นกว่าเดิมอีกชั้นหนึ่งขึ้นเสียงว่าพิจารณามหาพิจารณาว่าอยู่นานสักหนึ่งชั่วโมงอีก สมเด็จประสาทลุกขึ้นมาจี้ตะโพกสมเด็จโตอีกว่าขยายคำอื่นให้เขาฟังรู้บ้างสิสมเด็จโตเลยตะโกนดังกว่าครั้งที่สองขึ้นอีกชั้นหนึ่งว่าพิจารณามหาพิจารณากล่าวซ้ำๆอีกอยู่เช่นนั้นอธิบายว่าการของโลกก็ดีการของชาติก็ดีการของศาสนาก็ดีกิจที่จะพึงกระทำต่างๆในโลกก็ดี กิจควรทําสําหรับข้างหน้าก็ดีกิจควรทำให้สิ้นธุระทั้งปัจจุบันและข้างหน้าก็ดีสําเร็จกิจเรียบร้อยดีงามได้ด้วยกิจพิจารณาเป็นชั้นๆพิจารณาเป็นเปราะๆ เ, เข้าไปตั้งแต่หยาบๆและปูนกลางๆและชั้นสูงชั้นละเอียดพิจารณาให้ปราณีตและเมียดเข้าจนถึงที่สุดแห่งเรื่องถึงที่สุดแห่งอาการให้ถึงที่สุดแห่งกรณี ให้ถึงที่สุดแห่งวิธีให้ถึงที่สุดแห่งประโยชน์ยืดยาวพิจารณาให้รอบครอบทั่วถึงแล้วทุกๆคนจะรู้จักประโยชน์คุณเกื้อกูลตนตลอดทั้งเมื่อนี้เมื่อหน้าจะรู้ประโยชน์ย่างยิ่งได้ก็ต้องอาศัยกิจพิจารณาเลือกเฟ้นค้นหาของดีของจริงเด่นเห็นชัดปรากฏแก่คนก็ด้วยการพิจารณาของคนนั่นเอง ถ้าคนใดสติน้อยถอยปัญญาพิจารณาเหตุผลเรื่องราวกิจการงานของโลกของธรรมแต่พื้นพื้นก็รู้ได้พื้นพื้นถ้าพิจารณาด้วยสติปัญญาเป็นอย่างกลางก็รู้เพียงชั้นกลางถ้าพิจารณาด้วยสติปัญญาอละเอียดลึกซึ้งในข้อนั้นๆอย่างสูงสุดไม่หลับหูหลับตาไม่งม ง, งายแล้วอาจจะเห็นผลแก่ตนประจักษ์แท้แก่ตนเองดังปริยายมาทุกประการ จบทีจบแล้วท่านลงจากบัลลังก์นักราชาติอื่นๆภาษาอื่นๆมีแขกและฝรั่งเป็นต้นก็ไม่อาจออกปากขัดคอขัดคานถ้อยคาของท่านสักคนอัดอั้นตู้หมดสมเด็จเจ้าพระยาพยักหน้าให้หมู่นักราชนชาติทั้งหลายที่มาประชุมคราวนั้นให้ขึ้นบัลลังก์ก็ต่างคนต่างแยงไม่อาจนาออกแสดงถแถลงในที่ประชุมได้ ถึงต่างคนต่างเตรียมเขียนมาก็จริงแต่คําของสมเด็จพระพุทธเจย์โตครอบไปหมดจะยักย้ายโวหารหรือจะอ้างเอาศาสดาของตนของตนมาแสดงในที่ประชุมเล่าเรื่องของตัวก็ชักจะเกอ้อจะต่ําจะขึ้นเหนือความพิจารณาที่สมเด็จโตกล่าวนั้นไม่ได้เลยลงนั่งพยักหน้าเกี่ยงให้กันขึ้นบันลังใครก็ไม่อาจขึ้นสมเด็จพระประศาทเองก็ซึมทราบได้ดี เห็นจริงตามปริยายของทางพิจารณารู้ได้ตามนั้นตามภูมิตามการตามบุคคลที่ยิ่งและย่อนอ่อนและกล้าจะรู้ได้ก็ด้วยการพิจารณาถ้าไม่พิจารณาก็หาความรู้ไม่ได้เลยถ้าพิจารณาต่ำหรือน้อยพิจารณาก็มีความรู้น้อยห่างความรู้จริงของสมเด็จโตทุกประการวันนั้นก็เป็นอันเลิกประชุมปราด ต่างคนต่างลากหลาย